ชีวิตหมู่บ้านร่มโพทองและหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่เดิมเป็นพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเนื่องจากแหล่งน้ำตื้นเขินจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ในช่วงหน้าแลง้งประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกลมทรัพยากรน้ำ จึงเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยสร้างเขื่อนดินพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินสูง24เมตรยาว329เมตรความจุ 2,180,000 ลูกบาทเมตรระบบส่งน้ำมีความยาว 12.429 กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณรวม 131.1909 ล้านบาท ประชาชน950ครัวเรือนจำนวน4หมู่บ้านและพื้นที่เพาะปลูก 5,000 ไร่ได้รับประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริน้ำคือชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วมีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำเพิ่มมากขึ้นช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ชาวบ้านสามารถทำงานได้ปีละ 2-3 ครั้งสร้างไรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรู้จักช่วยกันดูแลรักษาโดยจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัด ก, การน้าเพื่อให้เกิดการจัดสรร น, น้าอย่างยังย่งยืนต่อไปน้าคือชีวิต